ภะโกวัตโตอรหโตสัมมาสัมุตทัศนโมตัสสะภะโกวัตโตอรหตโตสัมมาสัมบุตทัศนนะโมตัสสะภะโกวัโตอรหัโตสัมมาสัมบุตันิปรสีดิเวสสนิิาะุิสยกาจิมิกากยเต ธรรมกาโมภวังหติอิมัสสะธรรมปริยายสะอัทโทสาธายะสมันเตหิสกัจจังธมโมโซตโติณวันนี้เป็นวันพันรสีเด็ีที่สิบห้าค <c oughs> แห่งการกบักบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายทั้งกรงหัตระบรรชิตต่างก็ได้เสียสละภารกิจของตนมาร่วมชุมนุมเพื่อประกอบซึ่งกรณียกิจมีการไหว้พระ <c oughs> สังวัทยายในพุทธคุณธรรมคุณและสังกคุณตลอดถึงการได้สมาทานซึ่งเป็นจเจวระวิรัตและอุโบสถตรสินเป็นที่จบลงด้วยดีกิจเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นกรณียกิจ เป็นกิจอันดีงามควรแก่การศึกษากระทาบำเพ็ญให้เป็นนิจสินเกิดขึ้นแก่ตนของตนเพราะจะยังผลกล่าวคือความเจริญมาสู่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายผู้กระทา ต่อแต่นี้เราก็จะได้เพิ่มเติมกุศลบุญยราศีสัมมาปฏิบัติของเราทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยการสดับรับฟังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควร การศึกษาให้เกิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระศาสนาพุทธเที่ยพคี บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญในสิ่งที่ตนต้องการระบปาตนาหรือในชีวิตนี้ที่เราต้องการอันจะพึงบันดาล น, นำผล ม, มาซึ่งเป็นเรื่องของความสุข เกา่ายังรวบรัดหรือง่ายๆคือทุกคนต้องการความสุขสุขนั่นจอมจะมาจากเหตุและปัจจัยต่างกันออกไปเป็นธรรมดาดังนั้นในวันนี้ก็จะได้นำธรรมะมันเป็นส่วนหนึ่งในพระาศาสนา มาแสดงกล่าวสู่กันฟันเพื่อเป็นการสนองความต้องการของพวกเราท่านทั้งหลายให้สำเร็จลงไปด้วยดี <c oughs> ธรรมะที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคประบทเบื้องต้นของการแสดงนั้นได้แก่ ธรรมกามโมรวังโทติซึ่งแปลเ ป, ปเป็นใจความว่าผู้ใกล้ในธรรมที่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญดังนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ความเจริญสัตว์ทุกรูป ทุกนามที่บูบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็ดีและก็ได้รับสมมุติตามกฎบัญญัติหรือระเบียบต่างๆโดยสมมุติก็ดี หรือไม่ได้สมมุติก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความต้องการความเจริญให้แก่ชีวิตคือความเป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งสิน้นแม้แต่ชีวิตนี้จะแตกดับทาลายไปตามคติธรรมดาคือสัตว์ทุกรูปทุกนาม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแปรเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้พยาติเป็นธรรมดาและก็มีความแตกดับคือตายในที่สุดเป็นธรรมดาไม่มีสัตว์ใดที่จะร่วมพ้นจากสภาพดังที่กล่าวมานี้ได้เลยเพราะเหตุนี้ เราท่านทั้งหลายก็ยังหวังนอกจากจะหวังความเจริญให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของตนในภพชาตินี้เพียงภพเดียวชาติเดียวก็หาม่ได้เมื่อได้ทราบถึงว่าสัตว์ทั้งหลายถ้ายังไม่พ้นจากกิเลสจาบใจก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิดเรียกว่า ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตสงสารอยู่ตราบนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วแม่เราจะแตกดับทำลายขันไปจากภพนี้ชาตินี้เราก็ยังหวังความเจริญในภพหน้าในชาติหน้าอย่างนี้เป็นต้นให้แกตนของตนอีกเพราะนั้นความเจริญ ก็รู้สึกว่าจะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาชี้หรือกล่าวสู่กันฟังว่าความเจริญนั้นได้แก่อะไรมีลักษณะรสชาติเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นความเจริญบางอย่างนั้นมองเห็นและรู้ได้ยาก บุปผามาบุปผ ม, ม่เหมือนกับความเจริญเติบโตของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณของและไม่มีวิญญาณของเช่นอย่างเราทัานทั้งหลายที่เกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์ความเจริญเติบโตเติบโตซึ่งปรากฏ อยู่ในเรือนร่างสรีระกายของเราทุกส่วนเขาจะก้าวไปอยู่สู่ความเจริญทุกขณะจิตนอกจากมนุษย์สัตว์อย่างเราท่านทั้งหลายมีบางสิ่งหรือมากอย่างซึ่งมีส่วนละไมคล้ายกึงกับสัตว์มีชีวิตแต่เป็นสิ่งที่ไร้ชีวิต ได้แก่ต้นไม้และพืชทุกชนิดแม้เราจะปลูกฝังลงไปในดินโดยเป็นเมล็ดหรือเป็นหนอเป็นต้นก็ตามเฝ้าประคบป ง, งมรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำทุกเชา้าค่ำไม่ได้ว่างเว้นพืชทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ย่อมจ ะ, จะเจริญตัวของเขาอยู่ทุกขณะ เขาไม่ได้โกงไม่ได้กินแรงงานน้ำปุ๋ยของเราเปล่าเขาเจริญอยู่ทุกขณะของวินาทีแต่หากว่าความเจริญนั้นมันเป็นไปโดยเชื่อมชา้ามันช้าเกินกว่าที่จักสุตาเนื้อหนังของมนุษย์ธรรมดาสามมันจะพึงมองเห็นและรู้ได้ เราจริงเข้าใจดูเหมือนว่าสิ่งนั้นไม่เจริญแต่เราทุกคนก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าไม่เจริญอย่างตัวของเราเนี่ยทุกอย่างก็เจริญมาโดยลำดับโดยลำดับตั้งแต่จำเดินนับจำเดิมตั้งแต่เราจุติลงมาสนที่อยู่ในคั์ของมารดาเราก็ได้อาศัยความเจริญนั้นโดยแท้ จิงเป็นเหตให้เราต้องได้พ้นจากการมันดาของเรามาแล้วก็เจริญไวก็จะมาถึงปัจจุบันนี้แต่ความเจริญเหล่านี้ใครรู้บ้างใครเห็นชัดและรู้ชัดด้วยตาของตนด้วยใจของตนไม่มีเพราะเป็นความปรากฏในยะนี่เราเพียงแต่ยกถึงว่า ตัวธาตุหรือวัตถุได้แก่ตัวตนของเราดินน้ำลมไฟนอกและในตัวของเราเอามามองมาดูมาค่าย้ยมาควรพิจารณาดูถึงความเจริญมันก็เห็นและรู้ได้ยากแต่นี่ถ้าหากว่าเราจะมาดูถึงความเจริญความมีความเป็นหรือปรากฏการณ์ อันเป็นผลงานของเกิดจากการประกอบของเราจะระบุคลอันเป็นส่วนนำ ม, มาทำได้แก่เรื่องความรู้อย่างเดียวคือจิตใจอย่างเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินที่เราจะรู้ได้เห็นได้ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประกอบมันขึ้นมาเราไม่ต้องดูอื่นดูใครให้ดูกันในปัจจุบันนี้เรากราบพระทั้งวาจาก็เปิ่งอรหังสัมมาสัมพุทธภพะกวาพุทธังพะกวันตังพิวาเทมิท้าพเจ้าอภิวาทกราบไหวพระผู้มียวภาคเจ้านมัสการพระธรรม น, น้อมประสงค์อันได้ชื่อว่าพระรัตนตรัยของเราเราทุกคนที่ได้น้อมกายไปอย่างนั้นน้อมใจใกลเปริ่งวาจาละลึกไปอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นเราก็ได้เสียสละวัตถุมีดอกไม้ธูปเทียนตลอดถึงข้าวน้มโภชนาอาหารซึ่งจัดว่าเป็นนามิสบูชา บูชาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ันได้ชื่อว่าเป็นพราตนาายเป็นหลักใจของพวกเราชาวพุทธซึ่งเป็นหลักของระศาสนาเราทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแต่เราพูดที่กราบนมัสการนอบน้อมสักการ บ, บูชาปันทูปจนแสบหูแสบตาอยู่นั่น ไม่ทราบว่าจะเห็นบุญหรือเปล่าบุญมันเป็นอย่างไรความเจริญด้วยความดีที่เกิดขึ้นปรากฏในจิตของเราเป็นอย่างไรเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นทั้งๆ ท, ที่เราตั้งใจในเบื้องต้นหลอกจากบ้านออกจากกุติวิหารมามารวมตัวกันอยู่ที่นี่จะมากราวคํานมัสการประรตนาัยบูชาประรตนาใจ ทั้งส่วนลมิตรสบูชาทั้งภาคปฏิบัติบูชาเราก็ถือว่านี่เป็นกิจกรรมเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ดีงามหรือเป็นกรณียกรรมเป็นการกระทำที่ดีงามเป็นการกระทำที่ประเสริฐเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์อันนี้เราพอจะมองเห็นกันได้รู้กันได้พิจารณารู้ตามได้ให้ความแจ้งชัดถูกต้องตามความเป็นจริงได้ เพราะมันเป็นวัตถุแต่ว่าความรู้สึกความนึกคิดในที่ว่าความเจริญความเจริญมันเกิดขึ้นแก่ตัวของเรามันจะปรากฏในใจของเราอันนั่นสิมันเห็นได้ยากไม่รู้ว่ามันเจริญอย่างไรถ้าเราจะมองถึงภายนอกเรากราบสามหนนเราก็จเจริญสามครั้ง กลางวันเราก็กราบตอนเย็นเราก็กราบขัางคืนเราก็กราบยิ่งกราบยิ่งจเจริญเพราะยิ่งกราบมันก็ยิ่งดีบ่อยเข้าบ่อยเข้าอันนี้มันก็พอเห็นเพราะมันเป็นวัตถุมันพอที่จะวัดจะตวงกันได้กำหนดหมายได้เมื่อวัดตวงได้กำหนดหมายได้มันก็พอที่จะเป็นเครื่องจูงใจเราแม้ เ, เราเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่าย แต่ว่าเรื่องของจิตใจความเจริญปรากฏในจิตใจอ น, นั่นมันเห็นระยกแต่ถึงอย่างนั่นก็ตามพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่ได้ย่อท้อก็ยังได้พากันตั้งใจขวัขวายกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในกายในวาจาจิตของเราเพราะฉะนั้นคำว่าความเจริญ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องการและปรารถนาแม้แต่เราจะแตกดับทำลายไปจากภพชาตินี้แล้วถ้าไปนี้พานไม่ได้ตามที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่อยากจะไปนรกก็ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเปนเตเป็นสัตว์เดชานสุรกายและก็ไม่อยากจะไปตกนรก ขุ้มใดคุ้มหนึ่งอยากจะไปสวรรค์หรืออย่างต่าสุดก็ อ, อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ประกอบกระทำคุณงามความดีเช่นอย่างในปัจจุบันขณะ น, นี้มากยิ่งขึ้นต่อไปทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ก็แล้วกันเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือไปเกิดเป็นพระพรหมนี่ทำไมไปนิพพานเพราะ มนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีภพมโรคก็ดีถึงมันจะเป็นเรื่องของไตรภพไตรวัฏหรืออยู่ในขอบข่ายของวัฏฏะแต่ทว่าเป็นภพที่เกิดที่อยู่ที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเราจรึง พวกเราจึงต้องการและปรารถนาซึ่งตรงกันข้ามกันกับคำว่าเปรตอสุรกายสเด ช, ชาสนรก mm. นั่นเป็นแดนเป็นภพเป็นนิดมิตหมายที่ไม่ดีเป็นเครื่องหรือภาชนะหรือเป็นแดนสำหรับที่จะประกาศเป็นเครื่องรองรับผลเป็นที่รับผลของพวงสัตว์ทั้งหลาย เกิดวันมีชีวิตในปัจจุบันคือพบนี้ชาตินี้เป็นผลที่ชั่วเกิดมาจากเหตุคือการกระทำที่ชั่วการกระทำที่ไม่ดีคือเป็นบาปเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นอกุศลพวกเราจริงไม่อยากจะไป ไม่มีใครอยากไปแต่ผู้ไม่อยากนั่นแหละบางครั้งบางคราวก็ไม่พ้นสิ่งที่ตนต้องการแรละปัาจานากลับไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าเป็นนิมิตหมายบอกถึงความเจริญทะนี้ความเจริญอันนี้มันจะเกิดขึ้นเรารู้แต่ว่าความเจริญเป็นสิ่งที่เราต้องการ แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าความเจริญนั้นมันเป็นยังไงด้แกการทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเราก็อาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ในพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ให้หินชัดแล้วว่าผู้ใครในธรรมชื่อว่าเป็นผู้เจริญ นี่ท่านว่าอย่างนี้ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านชี้ท่านแสดงไว้อย่างนี้ไม่มากในโลกนี้ถ้าจะพูดถึงวิชาความรู้มันมีมากแม้แต่จะเป็นเรื่องของศาสนามันก็มีมากศาสนาหลายศาสนาเพราะฉะนั้น ผู้ใคร่ในธรรมเท่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเราได้ยินแล้วสมัยว่าคำว่าธรรมไม่ใช่เป็นความใคร่ในอันอื่นไม่ใช่เป็นความใคร่ในเงินในทองยศถาบรรดาศักดิ์แล้วจะเป็นผู้เจริญแต่หากว่าเป็นผู้ใครในธรรมเท่านั้นนี่แหละ ถ้ารู้จักว่าคำว่าทำก็จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ตีความหมายถูกตีได้อย่างสบายทำความได้ความเข้าใจให้แก่ตนได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งเลยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเพราะนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าทำคืออะไรนอกจากคำว่าทำแล้วมันคืออะไร นี่ถ้าเราจะพูดตามหลักการใหญ่ๆในพีพบที่เราเกิดมามีลมให้ใจในปัจจุบันนี้เราก็มักจะได้ยินและกล่กาวกันอยู่เสมอว่าโลกกับธรรมมีสองอย่างมีโลกอย่างหนึ่งมีธรรมอย่างหนึ่ง โลกตัวนี้หมายว่าโลกรอลิงไม่ใช่โลกรอเรเือคอไก่สะกดไม่ใช่คอฝ่ายหรือขอกดมีเรื่องของโลกกับเรื่องของธรรมเรื่องของชาติกับเรื่องของาศาสนานี่น่ะให้เราทําความเข้าใจกันกว้างเราพูดกันติดปาก ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องพูดชี้แนะกับผู้ใดอบรมสั่งสอนลูกหลานเหลนหรือว่าสติงบิอาริกหรือพุทธบริษัทก็มักจะกล่าวถึงเรื่องโลกกับธรรมซึ่งมันเป็นของผู้กันแต่นี่ผู้เราทุกคนต้องการความเจริญให้แก่ชีวิตของเรา ก็อะไรเราเป็นองประกอบหรือเป็นนิมิตหมายบอกถึงว่าชีวิตของผู้นั้นจเจริญเจริญมากจเจริญ น, น้อยจเจริญกว้างจเจริญแคบจเจริญเล็กจเจริญใหญ่มันเรื่องเหล่านี้สมมุติกันหรอกว่ากว้างหรือแคบเล็กหรือใหญ่มากหรือน้อยโดยที่มันจะมีปริมาณวัตถุนั้นเป็นเครื่องตักตวงหรือให้เราวัด แต่ความเจริญจริงๆนั้นมันเจริญที่ใจคนเราถ้าหากว่าใจมันเย็นสัอย่างมันสุขสัอย่างมันสบายสัอย่างมันดีสัอย่างอะไรๆมันก็ดีหมดมันก็สุขหมดมันก็สบายหมดมันก็เย็นหมดแต่นี่ว่าความคำว่าสุขคำว่าเย็นเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันบอกถึงผลของผู้นั้น ใจของผู้นั้นมีความเจริญปรากฏแล้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าจะมองถึงวัตถุผู้นั้นได้หลาดได้ยศสรรเสริญสุขได้ประสบกับรูปสวยๆงามๆเสียงเพราะๆนิ่กล่าวกันถึงอย่างกว้างๆและเป็นเหตุให้ใจนั้นเจริญ จเจริญไปตามที่ใจตนชอบอันนี้ยังไม่ได้เกากันนะยังไม่ได้พูดกันถึงเอาหยับยังไม่ได้มองกันถึงในเรื่องของธรรมะมองกันไปในหลักทั่วไปซะก่อนว่าไอความจเจริญในใจของคนเรานั้นน่ะมันจเจริญได้ทุกรูปแบบนอกจากธรรมะมันก็จเจริญได้คือทำให้ใจดีได้ อันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนอย่างคนเรานะอย่างเราไปดูหนังก็ดีดูละครก็ดีจะไปดูฟังดนตรีก็ดีหรือการแสดงทุกชนิดก็ดีใครที่ทำให้คนดูคนชมนั้นหัวเราะได้มากที่สุดก็คือเจ้าตัวตลกนี่แหละ ความตลกของคนเราจะด้วยการแสดงกิริยาท่าทีก็ดีจะเปล่งออกมาเป็นวาจาประกอบกับกิริยาท่าทีก็ดีสามารถทําให้คนนั้นตื่นจากหลับได้เบิกบานจากซบเศร้าง่อยเหงาได้กลายเป็นผู้มีความเบิกบานสุขใจสุขเพราะความตลกขันนองของนักแสดงกด แ, แสดงว่าผู้นั้น ใจของผู้ น, นั้นเจริญเจริญจากความซบเซาง่วงเหงาหงอยเหงาเสืมเสื่อมซึมเจริญจากความทุกข์จเจริญขึ้นจากความทุกข์กลายเป็นจิตใจที่มีความสนุกมีความเพลิดเพลินมันเป็นได้ไม่เฉพาะทำเท่านั้น อันนั้นเป็นลักษณะที่ชี้ให้ดูหรือไหวเห็นว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้มันสามารถทำให้จิตใจของเรานั่นเคลื่อนย้ายจากภาวะคือความเป็นอยู่เดิมแต่มันเป็นอยู่ไม่ดีและมันทำให้ดีขึ้นแต่นี่ในศาสนานี้ท่านชี้ชัดลงไปเลยว่าท่านหมายเอาเฉพาะแต่ธรรมะ ผู้ใคร่ในธรรมชื่อว่าเป็นผู้เจริญดังนี้ท่านไม่ได้เชี่ยวอื่นนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าาาว่าเราใลร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ของเราเองซึ่งเป็นอดีตปตีตารม์รูปารมอารมณ์คือรูปที่เป็นอดีตล่วงแล้วไปเสียงที่เป็นอดีต มันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความสุขได้ความเพลิดเพลินได้แต่ปรากฏว่าผู้นั้นน่ะถ้ายิ่งมีความสุขความเจริญมากเท่าไหร่ปรากฏไม่เจริญเท่านั้นอย่างพระเราเนนเราอุบาสกอุบาศิกาชาววัชชาววาอุตสากราระพุทธเจ้าป ร, รกป ร, รกพระธรรมเจ้าป ร, รกป ร, รกพระสังฆเจ้าปรกรก หมดทูบหมดเทียนดอกไม้บูชาไปไม่รู้เท่าไหร่หมดข้าวให้ทานไม่รู้เท่าไหร่บูชาคุณพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็จนไม่มีครูบาอาจารย์จะมาเทศให้ฟังนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพุโทโธก็ไม่รู้กี่หมื่นครั้งจนจำไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่าไม่ไปไหนไม่ไปไม่มาเป็นคนเก่าอยู่อย่างนั้น นี่แหละนั่งหลับตาภาวนาหารูปหาเสียงหากินหารถเกื้อเพิ่มไปกับตาหูจมูกลิ่นกายใจของตนใจจอมปลอมของตนทําไมจึงว่าใจจอมปลอมของตนใจที่มันเจือด้วยราคาโทสะโมหานั่นแหละใจปลอมรู้ปลอมศาสนาไม่ได้สอนให้เอาสิ่งเหล่านั้นแต่สอนแก้สิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ใครในธรรมชื่อว่าเป็นผู้จเจริญฟังให้ดีวิเคราะห์ให้ดีคำว่าลาบยศสรเสริญซึ่งจะได้มาเพราะการประกอบอย่างใดเป็นเรื่องของโลกยกไปไม่เกี่ยวกิจทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นกิดเพื่อยังความจเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตนี้ถึงจะเฟื่องฟูใด้ลาบยศสนเสริญทรัพย์สินครานนับไม่ถ้วน แต่ก็ไม่อาจที่จะรับรองชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นเมื่อแตกดับทำลายเวลาปิดอบายภูมิสีก็ไม่ได้รับรองไม่ได้ซื้อความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมโรกไม่ได้ไม่แน่นอนท่านจิงจัดว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่มีสาระแก่นสารสําหรับชีวิตนอกจาก จำนวยความสะดวกในปัจจุบันนี้ยกเว้นเสียแต่เราโง่เราชาราเรามีสติปัญญาสามารถเมื่อเรารู้แล้วว่าสักสิงครานทั้งหมดรวมทั้งอัตภาพร่างกายกว้างสอกยาวานาคืออิน4รียทั้งหเป็น ร, รู้แล้วว่า ทรัพย์สินคลานทั้งหมดรวมทั้งอัตภาพร่างกายกว้างสอกยาวานาคืออิน4ีทั้งหเป็นสมบัติของโลกเมื่อเรามีสิทธิก็เขาไปครอบครองเราควรจะต้องน้อมนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระแกนสารให้แก่ชีวิตของเรามากเท่าที่จะมากได้ส่วนที่มันจะเป็นไป กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เราควรจะสงวนรักษาทวนี้คำว่าสงวนรักษานั้นถ้าเรามองออกไปไกลๆรักษาทรั์เรามีระดับมียศมีเสน่เสริญ ม, มีสุขเราก็รักษานั้นมันเกิดจากเหตุอะไรรักษานั้นมนั้นมันกว้างทีนี้เมื่อใกล้เข้ามาเราก็รักษาตัวของเราคาว่ากายของเรานั้น มันก็กว้างคนเราอาจจะมองเห็นเพียงแค่คืบเดียวกว้างสอกเดียวยาวว้าเดียวของเจ้าของแต่ความจริงใ น, นเรื่องมันมากมันเกินกว่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเราจริงระดับล้อมกายของเราล้อมรั้วเอกองเราเพียงแค่สินนี้ก็พอพอแล้วนั่งสบายแลนอนสบายแล้ว ผลที่สุดมันก็หาความบริสุทธิ์ให้แก่แม้แต่กายของตนก็ไม่ได้เพราะไม่มีการสำรวจตาหูจมูกลิ้นและใจนั่นเป็นบอ่อเกิดหรือเป็นสื่อที่มาแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธ, ธรรมรมและเป็นบอ่อเกิดที่ตั้งของราคาโทสาโมหะนี่เราไม่ได้คำหนึ่งถึงกายส่วนนี้ มันกว้างใหญ่แค่ไหนเรามีศีลแล้วเอาไว้ไม่อยู่จะชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ถึงตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสามารถที่จะปรามกิเลสคือราคะโทสะโมหะซึ่งจะใส่ตาของเราเองเกิดไม่ได้ใส่หูรูปเกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ไขในธรรมด้ชื่อเป็นผู้เจริญทตนี้ธรรมนั่นมันคืออะไรเราก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าโลกคืออะไรธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีความใไขในธรรมมากเท่าไหร่ความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรามากเท่านั้น ท่นี่ทําในที่นี้ก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้พากันฝึกฝนอบรมซึ่งเป็นกิ จ, จวัตรประจําของเราแม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันบางท่านบางคนก็มีกิ จ, จวัตรประจําวันสมาทานสินหน้าประจำสินแปประจําบางท่านก็เจวันสมาทานอโบโสถาสีลวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างทั้งวันรับ วันจำศีลละวันสมอันนี้ได้ถือว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นกิจที่ดีงามควรแก่การที่เราจะพากันดำเนินตลอดถึงการบริจาคทรัพย์สินเงินทอนตามกำลังศรัทธาถึงแม้จะเป็นอมิตรสบูชาก็ตาม ตลอดถึงการปฏิบัติบูบชามาสมาทานสินห้าสิน0หรือว่าอุโบสถสินในที่สุดได้แก่การเจริญธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นนิมิตหมายบอกถึงว่าผู้กระทาบำเพ็ญหรือผู้มีความฝักใฝ่นั้นเป็นผู้ใครต่อธรรมะปฏิบัติ เมื่อเรามีธรรมะปฏิบัติเป็นส่วนภายนอกอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะต้องจูงใจนำใจเราเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติภายในได้แก่การภาวนาคำว่าภาวนานั้นเราจะเพียงจะเข้าใจเพียงแคคๆตื้นๆว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้คงหลับตาและลึกพุโทโธทาความรู้อยู่ในลมหรือ กายกตาสติและลึกถึงกายทุกส่วนไปไปมามาจึงได้ชื่อว่าภาวนาคำว่าภาวนานั้นตามรูปศัพท่านแปลว่าความมีหรือความเป็นถ้าจะเป็นการกระทำก็การกระทำให้มันมีขึ้นกระทำให้มันเป็นขึ้นสิ่งใดซึ่งเป็นความดีเนี่ย มันยังไม่มีก็พยายามสร้างสรรค้นคิดสร้างสรรค์ให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมาเมื่อมันมีแล้วไม่เป็นก็อัดทำให้มันเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองตามรูปหลักของคำสอนพระริจเจ้าเร็วปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตมันก็แปรกันหรือทำความเข้าใจง่ายๆก็คือการเลียน ลักษณะของการเรียนนั่นก็คือการมันดูมันฟังมันขีดมันเขียนมันจดมันจำมันต้องมันทบมันทวนและคนนำไปนึกไปคิดไปขบจอด้วยทิฏฐิคือความเห็นของตนนี่เป็นลักษณะของผู้เรียนของคำว่าปริยัติเมื่อเรียนแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้มันก็รู้ขึ้นรู้ขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเราจะต้องทําอย่างไรมันมีหน้าที่อย่างไรอะไรมันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความรู้ขึ้นมาเราก็ประกอบให้มันปรากฏขึ้นมาในตัวเราความรู้นั่นมันก็จะปรากฏขึ้นมาในตัวเราไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมาเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราเป็นผู้รู้แล้วพ่อเหตุเพียงแค่นี้เราอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้รู้จริง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติันแท้จริงหรือแก่นสารที่จริงอย่าพึ่งนั่นเพียงแต่แค่เป็นเปลือกเป็นเกล็ดๆฝอยๆเท่านั้นสิ่งที่เรารู้แม่รู้นั่นเราอากจะทำไม่เป็นก็ได้ใครไม่รู้จกบ้างวัดศิลสมาธิปัญญาการให้ทานการบูชาการกราบการไหว้ใครไม่รู้บ้างเกิดมาเป็นลูกพุทธ พ่อพุทธแม่พุทธรู้ทั้งนั้นแต่ว่าเราอย่าทะนงตัวนะสำคัญว่าเรารู้ว่ารู้นั่นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ถูกไปหมดปรากฏว่าเรารู้แล้วนะเรวทาไม่เป็นกราบพระก็กราบไม่เป็นกราบ็ระหกระกไปอย่างนั้นแหละไม่ถูกพระได้ซ้าไปคำว่ากราบไม่ถูกพระคือไม่ถูกลักษณะของผู้กราบที่ถูกต้อง นี่เพียงแต่ของหยับหยัง่ายๆ่ตื้นตื้นให้ทานก็ยังให้ไม่เป็นยังให้ไม่ถูกต้องตามลักษณะผู้ที่ให้ที่ดีปฏิบัติศีเลเจริญธรรมะ ก, ก็เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วปฏิบัติปฏิบัติก็หมายถึงทําให้มันถูกต้องเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตเขามีอย่างไร ศึกษามันรู้รู้แล้วทำให้มันถูกตามนั้นอย่าไปเที่ยวแก้อย่าไปงัดไปลือของเขาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพาระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเนี่ยเป็นคาสอนที่ออกจากโอดที่ไร้กลิ่นเหม็นด้วยประการตั้งตัวกลิ่นเหม็นคือว่า พวาจาที่ไล้กิเลสไม่เหมือนพวกเราพวกเราปากเหม็นลมปากเหม็นเพราะปากมีกิเลสจะพูดถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานของประเสริฐก็ตามมันก็ไม่ได้ประเสริฐจริงอย่างนั้นเพราะเราผู้พูดยังเป็นผู้ไม่ประเสริฐปากของเรายังมีกิเลสอยู่ประได้ชื่อว่าลมปากของเรามันก็ยังมีกลิ่นเหม็นมันไม่ ไม่ชวนผู้ฟังนะเกิดความกล้ายินดีอย่างร้อยเปอร์เซมันมีกลิ่นเหม็นที่จะเป็นลบล้างให้ความเชื่อถือความนิยมร้อยเปอร์เซ็นนลงไปยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะสำคัญตัวไม่ควรจะสำคัญตนไม่ว่าเราจะทำจะพูดจะรู้มากรู้น้อยก็าตามเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นคนวัดคนบ้านก็าตาม นี่แหละให้เราเก็บรวบรวมเข้าไปเป็นนะิพพิจณาเราเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นขึ้นมาไม่รู้ให้มันรู้รู้แล้วทำให้มันเป็นพุทโอใครไม่รู้บ้างลมหายใจเข้าออกใครไม่รู้บ้างเจสาโลมานะคาทัานตาอ่ารู้กันทั้งนั้นแต่ทำเป็นหรื อ, อยังนี่แหละรู้เป็นปริยัติปฏิบัติ คือปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นขึ้นมาทำให้มันเป็นจริงอย่างนั้นจริงอย่างที่เรารู้นั่นนี่อันนี้แหละคือตัวเหตุที่จะยังความเจริญตามที่กล่าวในเบื้องต้นว่าผู้ใคร่ในธรรมด้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญความเจริญทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายต้องการระบาดถนานั้น จะต้องมาจากธรรมะเท่านั้นอื่นนอกจากธรรมะนั้นไม่ใช่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นแต่นี่เมื่อความเจริญตัวนี้มันเป็นผลมันจะต้องมาจากเหตุได้แก่การศึกษาเกิดความรู้รู้ทางของความเจริญทั้งดีและชั่วเมื่อรู้แล้วเราตั้งใจค้นคว้าปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นเรียกว่าภาวนาแปลว่าความมีหรือความเป็น แต่เราเป็นผู้ภาวนาก็เราก็เป็นผู้ที่จะต้องทำให้มันมีขึ้นมาอะไรมันไม่มีความรู้ชั่วไม่มีก็ศึกษามันรู้ขึ้นมารู้แล้วรักความรู้ดีไม่มีศึกษามันรู้ขึ้นมารู้แล้วเจริญเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัตินั่นคือการทาให้ถูกต้องถูกอะไรขนบรรมเนียมจารีตประเพณี คนเราไม่ว่าจะไปไหนขึ้นรถต้องมีถนนมีทางเดินเดินก็ต้องเดินมีทางลงเรือก็ต้องมีล่องน้ำบินไปนากาศก็ต้องมีล่องมีลอยถ้าไปผิดล่องผิดลอยเกิดเรื่องชีวิตไม่ปลอดภัยเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ต่อความเจริญก็ต้องมีทางเดินพระก็มีทางเดินญาติยมก็มีทางเดินเ ร, เรียกว่าขรบธรรมเนียมหรือกฎกติกา ซึ่งวางไว้แล้วเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปตแกแต่งคัดงางเพียงแต่ตั้งหน้าตั้งตามมุ่งใจดำเนินไปตามนั่นแหละมองดูความบวกพ่องของเจ้าของว่าเรามีความสมบูรณ์พร้อมแล้วหรื อ, อยังนี่ตัวนี้สำคัญแล้วก็พยายามเจริญให้มันเป็นไปพร้อมอย่างนี้ ความเจริญทั้งหลายที่เราต้องการรับปรารถนานั้นมันก็จะเกิดมีขึ้นตามเหตุและผลที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในกายและจิตของเราอันได้ชื่อว่าภาวนาซึ่งแปลว่าความมีหรือความเป็นเพราะฉะนั้นการที่ได้หยิบยกอรธรรมะมาชี้แจงแสดงก็ <c oughs> เป็นการฉรองศรัทธาบรรดาเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอควรแก่เวลา จริงข อ, อยุติเฮวังก็มีด้วยประกาศชนิดณโอกาสบันี้จะได้แสดงธรรมะซึ่งควรแกการศึกษาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้น ในตนของตนเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่สถานที่นี้หน้าที่ของพวกเราก็มุ่งต่อการเข้าถึงอัดธรรม ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเลียกกว้างคว้างว่าพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสา ม, มาเณรเพราะพวกเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษยชาติมนุษยชนเช่นคนและสัตว์มีความเป็นอยู่และกิเลสโดยทั่วๆไปก็ตามทีแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายนั้น พวกเรามีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นถึงจะมีกฎเกณฑ์และขอบเขต เช่นอย่างว่ามีกฎหมายมีหลักการของการสแสวงหาเครื่องเรียงทีก็มีกฎเกณฑ์และขอบเขตที่กว้างขวางและเป็นไปตามอำนาจของความรู้สึกนึกคิด ของตนของตนเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นที่ตั้งแต่ความเป็นอยู่ของพวกเราตลอดถึงการสแสวงหาและการบริโภคอุปโภคเพื่อให้ความดำรงทรงอยู่ และเป็นไปของชีวิตยอย่างเราเราท่านท่านย่อมมีความเป็นอยู่และอื่นๆด้วยความรัดกุมโดยมีการควบคุมมีหลักและกฎเกณฑ์ แคบเข้าการเป็นอิสระภาพเยี่ยงชนทั้งหลายก็น้อยลงทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนดีเป็นส่วนพิเศษ จะเป็นญาติโยมก็ดีเป็นพระเป็นเนนก็ดีให้เราทุกคนน้อมลำลึกนึกถึงในภาวะความเป็นของตนของตนแล้วก็จะเห็นได้ถึงเราจะอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับสัตว์โลกทั้งหลาย แม้แต่โลกคือสัตว์เดรัจฉานขอบเขตสีมาที่อยู่ของเราก็จำกัดไม่มากมายใหญ่โตโอทงนักโดยที่เราจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราหรือประเทศใดก็ตามที่มีศาสนาประจำชาติของตนแม้แต่จะนอกเหนือไปจากศาสนาพุทธคำว่าวัดนั้นแม้แต่เราหรือผู้กล่าวก็ไม่อาจที่จะนำมากล่าวสู่ฟังโดยถูกต้องได้ว่าทั่วประเทศไทยเรานี่ ขึ้นชื่อว่าวัดหรือสำนักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมของบุคคลและท่านเยี่ยงเหล่านี้มีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นวัดให้ทราบชัดแน่ลงไปตามความเป็นจริงได้หรือคิดเฉลีย่ยปนไล่ เป็นงานเป็นวาแล้วว่ามีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นไล่วาเป็นต้นนี่คือขอบเขตสถานที่เขาก็ให้จำกัดไม่มากเหมือนกับมนุษย์สัตว์ที่มีความเป็นอยู่นอกเหนือไปจากพวกเรา อย่างชาวบ้านทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการที่จะสแสวงหาหรือการเข้าไปจับจองครอบครองเป็นเจ้าของในผืนแผ่นดินไม่ว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นเลือกสวนไร่นานาคุ้งนาปลาอะไรก็แล้วแต่เขาย่อมเป็นอิสระ ในสิทธิที่จะเข้าไปยึดครองได้ <c oughs> อย่างเต็มตามความสามารถการสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจึงกล่าวได้ว่าเขามีความเป็นอยู่ในกฎและขอบเขต ท, ที่กว้างขวาง พร้อมที่จะตอบสนองความเดิหลีและประสงค์ในใจของเขาได้ซึ่งผิดกันกับพวกเราสถานที่เขาก็กำหนดจำกัดให้แต่ก่อนนี้ก็อาจจะสี่ไร่หรือหกไร่แปดไร่จึงยกขึ้นมาเป็นวัดได้ งั้นคืออย่างน้อยอย่างวัดวัดของเรานี่ก็มีอยู่ร้อยกว่าไรอันนี้เพื่อจะเชื่อเห็นถึงถูกจำกัดขอบเขตเรื่องการจำกัดขอบเขตนั่นก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหา ที่จะนำความยุ่งยากและวุ่นวายมาสู่ตัวเราผู้อยู่อาศัยได้และก็ไม่เป็นไปเพื่อจะประกาศบอกผลถึงความมากด้วยกิเลสหรือหมดกิเลสเพราะเหตุ ดังกล่าวคือที่เหล่านี้มากหรือน้อยจะนี่ถึงเรื่องความเป็นอยู่แม้เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องเลี้ยงรับผิดชอบตนของตนเอง พึ่งคุณงามความดีของบุคคลผู้อื่นไม่ได้เยี่ยงภิกษุสามเณรก็ตามเราทั้งหลายก็ได้ลดละปล่อยวางโดยที่เราทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นภาระนำมาซึ่งความยุ่งยากวุ่นวาย ก่อให้เกิดซึ่งความไม่สงบถึงแม้ว่าจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนก็ตามเราก็พยายามปลดปล่อยละวางภาระหน้าที่อันนั้น แล้วก็น้อมนำชีวิตเข้ามาสู่ในอัดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อแสวงหาความสงบความระ ง, งับทั้งในส่วนกายส่วนจิตด้วยข้ออัดข้อธรรมกล่าวคือข้อวัดปฏิบัติได้กระสินและธทรรม ที่เราได้พิจารณาเห็นชอบแล้วด้วยปัญญาน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตของเราแล้วก็ได้ดำเนินกล่าวคือบริหารได้แก่การสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมจิตหรือสํารวมอินทรีย์ เรียกว่าจาักหูสังวโรการสำมรวมตาเป็นต้นเพื่อจะดำรงทรงอยู่และเป็นไปกับด้วยแนวทางที่เป็นธรรมเป็นวินัยเพราะเราท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาอันชอบ วัทุกชีวิตเมื่อน้อมชีวิตเข้ามาหรือขึ้นสู่บนเส้นทางของคำว่าอัดรมกล่าวคือสินและรมแล้วย่อมจกนำมาซึ่งความสงบระงับแม้แต่จะมีความวุ่นวายมาอย่างมากมายมาก่อนก็ตามเมื่อเรายกกายยกจิต ขึ้นสู่ปฏิปทาแนวทางเครื่องดำเนินอันประกอบด้วยศีลและธรรมคำว่าศีลและธรรมนั่นแหละจกนำผู้จกนำเราผู้มีกายแม่กายนั้นตลอดถึงจิตใจจะมากด้วยความไม่สงบคือบาปนานาประการ จะมากด้วยความโลภความหลามโมกในทางจิตด้วยอนาจของกิเลสอย่างไรมาก่อนก็ถามคำว่าข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาคือศีลธรรมนั้นย่อมสามารถอย่างบุคคลไร้ั ผู้ที่น้อมกายและจิตขึ้นสู่ทางให้เป็นผู้มีกายอันสงบระงับมีวาจาอันสงบระงับมีจิตใจอันสงบระงับปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายได้ดพิจารณารู้เห็นชอบอย่างนี้เราจึงได้มีการเสียสละ ปรงวางภารกิจแม้แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองราบยศสรรเสริญ น, นันเสียและน้อมชีวิตเข้ามาสู่อัดสูธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเรียกว่าพระพุทธศาสนา เรามีศาสนาเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตเรามีศาสนาเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตเราคิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะคิดอย่างนี้เราก็รู้เห็นด้วยสติปัญญาของเราแล้วว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ถูก ที่ควรดำเนินตามจึงทำให้เรานั้นมีการเสียสละดังที่กล่าวจึงทำให้เรามีความเพียรมีความพยายามเพราะคนเราแม่แต่จะทำความดีลว้นลวนๆเป็นอดเป็นธรรมก็ใช่ว่า จะทำบำเพ็ญได้โดยง่ายโดยไม่ประสบพบเห็นซึ่งอุปสรรคอันเป็นเครื่องปีดขวางทางทำดีของพวกเราข้อหามีได้ยิ่งจะมากคำว่าอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่าอุปสรรค การทำมาหาเลี้ยงชีพในทางโลกโดยที่จะเทียบกันไม่ได้เสียได้ตซ้ำไปเพราะอุปสรรคในทางโลกนั้นจะเน้นหนักและมองเห็นรู้กันและเกิดผลเราจะรีเห็นด้วยตาเป็นส่วนใหญ่และจะเกี่ยวข้องกับบุคคลและสัตว์เป็นที่ตั้ง เท่านั้นส่วนความรู้สึกนึกคิดเราไม่ได้เห็นว่าเป็นอุปสรรคที่ตัวร้ายก่อนเพราะอะไร